แล้วก็ไปฉันอยู่ที่สวนแสงธรรมหาทุนให้โคโลราโดอีกวันที่18วันที่28แล้วละก็กลับขึ้นมามาพักที่วัดรวมธรรมอำเภอเพนวันที่28ปออกจากอำเภอเพนก็มานี่นะเน ย, ยังไม่ถึงวัดนะั้นลูกหลานนะเพราะนั้นลูกพ่อจะคิดถึงวัดนะพร้อมแล้อยังจะมีการกล่าว อาราธนาไหยเอาเริ่มเลยเลยนะอาลาธนาว่าพร้อมๆกันเลยนะลูกหลานหลวงพ่อไปเห็นอยู่อินโดนีเซียนะหลวงพ่อไปอินโดนีเซียเขาอาราธนาศิลเขาก็ว่าพร้อมกันอาลาธนาเทศเขาก็ว่าพร้อมกันอาลาธนาปลิตเขาก็ว่าพร้อมกันเออสมั่นตาเขาก็ว่าพร้อมกันผลที่สุดเออเขาก็ต้องค่อยไผ่อนไป พอมาว่าไราทุกคนอ้เ น, นี่ของเมืองไทยของฮ่องนับถือพุทธศาสนามาตั้งโน้มนั่นบาดฮ่าสอานาเทศใ่นเลี้ยวหากันโลกเลกโลกเลขข ก, <c oughs> กันเอไจ๊คิเมรจะหเป็นไคเป็นผู้เบาหน่ไปหาผู้นั่งผ้เพราะนั่นต้งบอกผมอมเอาพ อ, พอามพ้องกันบอกพิดบถือบอกว่า ก, กันละเา <c oughs> โลดวัน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 ก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสในการได้ยินได้ฟังฟังอัดฟังธรรมฟังหลักเหตุผลโซ ส, ส, สังรสตเตปัญญาผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญาถ้าหากว่าไม่ตั้งใจฟังจะไม่เกิดไม่ได้ปัญญาเพราะอะไรเพราะไม่ได้ใส่ใจฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟังไปยางน้นฟังไปเท่าไหร่กันนะั่นน่ะ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 ถ้าหลวงพ่อพูดองค์อื่นขึ้นมาพูดอีกแสดงธรรมต่ออีกพวกเราก็ฟังไปอีกนี่แหละอันนี้พอสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะคณะศัศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะต่อเ น, นื่อไปหลวงพ่อคงจะไม่แสดงอะไรมากมายเพราะวันบันดึกพอสมควรแล้วนั่นแต่ถ้าหาว่าไม่มีการแสดงธรรมใช่เลยพอสวดมนต์เสร็จแล้วก็จบไปเลยมันก็ขาดเหมือนกันนะมันขาดไปจุดหนึ่ง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 ก็อรอบวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่คูนสุเมโทและก็พร้อมกันก็ทำบุญประทายข้าวเปลือกและบุญรวมญาติณวัดป่าภูทองบ้านภูทองตม บ, บ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีอันนี้ก็คือวันนี้ที่มีมีขึ้นคณาะ ท, ะทายาติโยมทุกหม่เหลาก็ได้หลั่งไหลมา พระสงฆ์ก็ฟังเมื่อประกาศเมื่อกี้นี่ก่อนร้อยกว่ารูปเกือบ200รรูป200รปพระขนาดนี้ไม่ใช่หารวบรวมกันได้ไง่ายๆพี่น้องประชาชนจัตธาญาติโยมก็ล้นหลามสรุปแล้วก็คือพวกเราท่านทั้งหลายมาที่นี่มาเพื่ออะไรไม่มีการร้องรำทำเพลงไม่มีดนตรงดนตรีงลงมาเรามาเพื่อเสาะแสวงหาบุญกุศล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 นรกสวรรค์เ อ, อไม่เชื่ออีกตายแล้วศูนอีกต่างหากถ้าอย่างนั้นขึ้นมาเราก็ไม่ใช่เราก็ไม่ควรเราไม่ใส่ใจเราไม่สนใจเราไม่ได้ เ, เพราะเราไม่เชื่อในจิตใจถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วเ อ, อแปลว่าผู้ไม่สนใจในไฝธรรมะไม่สนใจในบุญกุศลเหมือนกับตุ่มแล้วโอบความความปากลงพื้นดินเ อ, อ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 ไม่มีไม่มีความอบอ้อมอารีจิตใจมีแต่พยาบาทอาฆาตจองเวรที่ตี่ตีีทีเนีตีตพวกเราไม่รักษาีิีตี์และจะนั่งภาวนาีตีตีตีตีตีตีตีตีตีตีตีตีตีปีตีตไตีตีตาตีตีตีตีตีตีตีตีตีตีตีตีตีตีตีตี า, าีตีตีตีตีตาโีตีเีตีตีตีตีตีตีตีตีตีนีตีตีตีตีตีตี้ีตีตีาีตีตีตีตีตีาีตีต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 ให้ตั้งจิตให้แน่วแน่ในกำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นนี่แหละถ้าเขาว่าพวกเราทำอย่างนี้มันเผลอมันยังเผลอออกยังหลดออกโยกให้บริกรรมทีๆหลวงปู่ท่านว่านะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าบริกรรมทีๆให้บริกรรมสาพับอยู่ที่ใจของเราใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรให้ลัวเลยนะเนี่ยเหมือนกับยิงปืนก่อนแล้วแต่นั้นนะพุทพุทโทพโทุพโทพโธพโทุพโทพโธพโทุทโธพุทโธ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 แเมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่ากายคือกายใจก็คือใจเราจะเปรียบเทียบหลวงพ่ออะไเปรียบเทียบให้คณะทถาญาติโยมมัได้เห็นเป็นรูปธรรมรูปรูปธรรมและนามวิธรรมรูปธรรมคือร่างกายเหมือนกับรถนะทถาญาติโยมลูกหลานนะในเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนะเราจะรู้ได้ว่าร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถแต่จิตใจของความสงบนั้นเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถเนี่ย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 เมื่อเราจากไปแล้วเมื่อตายไปแล้วร <hurry> <aunt> ่างกายมันหมดสภาพแล้วโซเฟอร์ก็ต้องออกจากรถในเมื่อโซเฟอร์ออกจากรถเนี่ยรถก็ทิ้งแหละเพราะมันมันเก่าละมันไปไม่ได้ละมันใช้ไม่ได้ในเมื่อโซเฟอร์ออกจากรถโซเฟอร์มีทุนไหมนะโซเฟอร์มีบุญไหมถ้าโซเฟอร์มีบุญเหมือนกับโซเฟอร์มีเงิน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 ตมเปิดฝาโอ่ฝนตกมาทีล ะ, ทละยักทีละหยาดทีละน้อยมันตกมาแล้วก็ตุม่มค่อยเต็มตื้นขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าว่าเราควา่ำเราไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนเราเหมือนกับคว่ำปากโอ่งลงในพื้นแผ่นอีกองเอาคนมันขึ้นฝนตกมันก็ไม่เขานะมีแต่ความแห้งอยู่ในตุ่มในโอ่งนั่นเองนี่แหละอันนี้ก็คือ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 เออหลวงพ่อคาไมอยู่ไหนนี่ยเว้ยนี่ปัจจัยถวายกันเทศหลวงพ่อเนี่ยหนึ่งหมืนึ่งหนึ่งรบาทนะหลวงพ่อมอบให้หลวงพ่อคาไมนะโจเฟอร์ไม่ต้องรับออกไปนะของททยธรรมกรมการไม่ต้องเอาไปมอบไปมอบให้ยานคาไม่นะหลวงพ่อมาช่วยงานหลวงพ่อมาเทศนามาการนั่นแหละหลวงพ่อจะกลับวัดแล้วลูกหลานเลยเอาละพรนั้นลูกหลานนั่นเอนะ